เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและวพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลาบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทักษกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องนิทานผมมีนิทานมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของพรานป่ากับนางฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ วันหนึ่งในขณะที่พรานหนุ่มผู้มีร่างกายกำยำล่ําสันกําลังบุกเข้าไปในป่าเพื่อจับสัตว์ป่าต่างๆไปขายและกินนั้นเนื้อสมันตัวหนึ่งเธอรื้อโลดโดดไกลไปทางข้างหน้าพรานป่าก็เพ่นตามไปอย่างว่องไววิ่งไล่ลดเลี้ยวไปประเดี๋ยวเห็นใกล้ประเดี๋ยวเห็นไกลประเดี๋ยวยือนอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ๆยั่ให้ใจพรานหนุ่มมุมนะนาอยู่ตลอดเวลาพรานป่าติดตามเนื้อสมันตั้งแต่ตอนสายจนเกือบจะเที่ยงวนันไม่ได้รดละ นึกอยู่ในใจว่าถึงอย่างไรซะจะต้องจับเนื้อสมันตัวนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องวิ่งไล่ไปตลอดวันก็ไม่เป็นไรเพียงได้เนื้อสมันตัวเดียวเท่านั้นก็พอใจแล้วในวันนี้แต่เมื่อพรานหนุ่มติดตามเนื้อสมันไปจนกระทั่งบ่ายมากแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกประหลาดใจและความสงสัยก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็มีความระหวัดระแวงติดตามไปอีกพรานป่าติดตามเนื้อไปแล้วก็พูดกับตัวเองไปต่างๆนาน า, นา เนื้อสมันอะไรอย่างนี้มันทําอาการเหมือนผีที่คอยหลอกล่อในคนไล่าตามมันไปประเดี๋ยวเห็นไกลประเดี๋ยวเห็นใกล้ยั่วหัวใจให้ติดตามอยู่ตลอดเวลานี่เราบ้าไปแล้วหรือเปล่าเรากําลังถูกผีป่าหลอกล่อกระมังถ้าเป็นเนื้อสมันธรรมดาป่านนี้เราก็น่าจะจับมันได้นานแล้วเนื้อสมันอะไรวะประเดี๋ยวกระโผที่โน่นประเดี๋ยวกระโผลที่นี่บางทีก็เพ่นหายไปหายวับไปกับตาเอ๊ะนี่เราหลงไล่าตามมันมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยในขณะที่แดด ก, กาลังร้อนจัด ฝาฟ้าอากาศก็มีอาการเปลี่ยนแปลไปแดดเริ่มหายไปความมืดมัวเข้ามาแทนที่แล้วจู่ๆก็มีฝนเทลงมาพายุกระหน่าอย่างรุนแรงฟ้าขนองร้องลั่นสิงสนันบันไหวทั่วไปในป่าพงดงดิบนั้นจะพรานจากกันเหลวซ้ายแลขวามองหาที่หลบฝนแล้วก็เห็นไปทางด้านขาซึ่งหนานแน่นไปด้วยพุ่มไม้ใบหนาและรกรุงรังแต่ว่าจะนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้เพื่อจะให้พ้นฝนก็หาไม่ได้จึงได้มองดูไปรอบๆตัวก็ได้ไปเห็นปากถ้าอยู่ใกล้ๆ จึงได้เดินเข้าไปในถ้านั้นและล้มตัวลงนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเ น, นเหรื้อประมาณหลับไปนานสักเท่าไหร่นั้นไม่สามารถจะทราบได้แต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นเวลากลางคืนฝนก็หยุดตกแล้วพายุก็ไม่มีภายในถ้ำมีแสงจันทร์ส่องลงมาที่กลางถ้ำทําให้พอมองเห็นอะไรได้สลัวสลวทั่วไปในถ้ำนั้นพรานหนุ่มบอกกับตัวเองว่าคืนนี้ต้องนอนที่นี่ในขณะที่พรานหนุ่มรู้สึกหิวกระหายขึ้นมา จึงเดินไปที่กลางถ้ำและกินน้ําฝนใสสะอาดที่ตกลงมาขังอยู่ในแอ่งหินคิดในใจว่าถ้าได้กินอะไรสักหน่อยก็คงจะนอนหลับสบายแต่ก็ได้แค่นึกและในทันทีนั้นก็มีกลิ่นอาหารที่ทำให้รู้สึกว่าอยากกินขึ้นมาแต่พรานก็บอกกับตัวเองว่าความหิวนั่นเองที่ทําให้มันได้กลิ่นอาหารทั้งที่ทมันไม่มีอาหารความหิวกําลังจะตั้งต้นความทรมานเพราะฉะนั้นต้องรีบนอนและรีบหลับซะดีกว่าและเมื่อพรานป่าหลับไปไม่นานก็ฝันว่า มีเทพธิดานำอาหารถาดใหญ่มาให้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญเช้าวันต่อมาในทันทีที่พรานลืมตาขึ้นก็ได้เห็นถาดอาหารวางอยู่ใกล้ๆในถาดนั้นก็มีเศษอาหารที่กินเหลือไว้นี่มันหมายความว่าอะไรเขาพูดกับตัวเองอยู่ในใจถาดอาหารนี้เป็นของใครใครเอาอาหารมาวางไว้ที่นี่ฉันกินอาหารในถาดนี้จริงๆหรือหรือว่าแค่ในฝันเท่านั้นเอ๊ะแต่มีอาหารติดอยู่ในฟันฉันเวลานี้แล้วก็จึงมีกลิ่นอาหารอยู่ในปากของฉันด้วยฉันกินอาหารนี้จริงๆแต่ฉันกินในความฝัน อะไรกันเนี่ยฉันกินในขณะที่หลับได้ยังไงในขณะที่พรานหนุ่มนั้นนั่งถามตัวเองอยู่เช่นนั้นก็มีหญิงชราเดินออกมาจากทางด้านเงามืดที่อยู่ภายในถ้า น, นั้นเดินออกมาช้าๆไม่มองหน้าพรานมาถึงก็ยกถาดอาหารแล้วก็เดินหายกลับเข้าไปในเงามืดสักประเดี๋ยวก็ออกมานําอาหารที่เต็มถาดมาวางไว้ให้แล้วก็เดินกลับไปยายยายหยุดก่อนยายพรานป่าเรียกหญิงชราพร้อมกับผลิบันลุกขึ้น และก็ออกเดินตามไปอย่างว่องไวแต่ก็ไม่ทันหญิงชาราที่เดินไปช้าๆเขาพยายามจะวิ่งไปสกัดข้างหน้าแต่หญิงชารานั้นก็หายเข้าไปในเงามืดนั้นสก่อนอย่างไรก็ดีเช้าวันนั้นพรานหนุ่มก็กินอาหารจนหมดถาดใหญ่แล้วก็นอนหลับไปในเวลาไม่ช้าเพราะรู้สึกว่า ง, ง่วงเหลือประมาณเมื่อหลับไปไม่นานก็ฝันว่าหญิงชาราคนนั้นเดินออกมาจากที่มืดซึ่งเป็นด้านที่ลึกเข้าไปในถ้านั้นครั้นแล้วก็มานั่งหลงใกล้ๆและพูดว่า เมื่อ5 0 0พันปีมาแล้วฉันพาเทพธิดาหลายองค์ลงมาเที่ยวในโลกมนุษย์นี่เสมอๆคราวหนึ่งมีฝนตกลงมาฉันเป็นผัวหน้าจึงพาเทพธิดาเขามาหลบฝนอยู่ในถน้ำนี้และในขณะที่เรากำลังร้องรำทำเพลงอยู่ในถน้ำนี้อย่างสนุกสนานนั้นฉันได้พบกับแก้วแหวนเงินทองถุงใหญ่จึงเอาออกมาแจกใจ่ายให้เทพธิดาทุกองค์รวมทั้งตัวฉันด้วย แต่เมื่อเอากลับไปเมืองสวรรค์ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ก็โกรธกริว้วประนามว่าฉันมีจิตใจเหมือนมนุษย์มีจิตใจแหมบริสุทธิ์มีความโลภความมักอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนในที่สุดท่านก็สั่งให้ฉันนําแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดนี้มาเก็บไว้ในถ้านี้อย่างเก่าและก็ให้เฝ้าไว้รอคอยมนุษย์ผู้มีบุญพอมานําถุงแก้วแหวนเงินทองนี้ไปจากถ้าฉันจึงจะกลับสวรรค์ได้พรานหนุ่มได้ฟังก็ถามเทพธิดาว่าตลอดเวลา 5,000 ปีไม่มีมนุษย์คนใดมาที่ถ้านี้เลยหรือ ไม่มีเลยเทพธิดาบอกทำไมมันเป็นเช่นนั้นละ่ะพระนุ่มถามเพราะถ้ำนี้อยู่ในภูมิประเทศที่ลึกลับซับซ้อนและไกลแสนไกลตลอดเวลาห้าพันปีจึงไม่มีใครมาถึงที่นี่แต่การที่มีถุงแก้วแบนเงินทองอยู่ในถ้ำนี้แสดงว่าครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์มาถึงที่นี่พระนุ่มกล่าวถูกต้องแล้วคอนั้นไม่ต้องสงสยัยนางฟ้าบอกแต่ทำไมเขาไม่มเอาถุงนั้นกลับไปจากถ้ำนี้ละ่ะนั่นคงเป็นเพราะเหตุว่าถ้ำนี้อยู่ในที่ซึ่งลึกลับซับซ้อน ผู้ใดมาถึงที่นี่แล้วกลับไปก็ไม่มีหวังที่จะได้กลับเข้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถจะจําทางเข้ามาได้พระหนุ่มได้ฟังก็ถามเทพธิดาด้วยความสงสัยว่าแต่ตามที่ฉันเคยได้ยินมาเขาว่าเทพธิดาส่วนใหญ่จะเป็นสาวสวยอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันแก่ชรานี่ถ้ท่านเป็นเทพทิดาจริงๆอย่างที่ท่านว่าแล้วทาไมท่านถึงได้ดูแก่อย่างนี้ล่ะออกจะคล้ายแม่มดนะตามที่เจ้ารู้มาเทพธิดาเป็นสาวสวยตลอดเวลานั้นเป็นความจริงแท้แต่เป็นเพราะกรรมของฉันเอง ที่มีความโลภในสมบัติที่ไม่ใช่ของตนต้องมาเฝ้าขอที่ไม่ใช่ของตนอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งมีวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายจึงทําไม่มีสภาพเป็นเช่นนี้เมื่อท่านกลับไปสู่สวรรค์ของท่านแล้วและท่านจะกลับเป็นสาวสวยเช่นเดิมหรือไม่พระหนุ่มถามในทันทีที่เท้าฉันลอยขึ้นไปจากพื้นดินความแก่ก็จะสูญสิ้นไปทันทีฉันจะกลับมามีความสาวความสวยเฉกเช่นเทพธิดาดังเดิมและจําไว้เมื่อเจ้าตื่นขึ้นในตอนเที่ยง เจ้าจงเดินตามฉันเข้าไปในที่มืดเพื่อไปเอาถุงเพชรดินจินดาถุงนั้นไปจากถ้านี้และเมื่อได้ถุงนั้นแล้วจงเดินตามฉันออกไปข้างนอกถ้าต่อจากนั้นฉันก็จะได้กลับสู่สวรรค์และในขณะเดียวกันเจ้าก็จะได้ไปตามทางของเจ้าแต่ขอสําคัญเจ้าจงจํำมาไว้ว่าอย่าได้พูดอะไรกับฉันเป็นอันขาดถ้าจะพูดเพียงคำเดียวเท่านั้นฉันก็จะไม่ได้กลับสวรรค์และตัวของเจ้าก็จะไม่ไกลับบ้านและจะต้องตายโดยกันอยู่ในถ้ำนี้ เจะรับปากได้ไหมพรานหนุ่มก็พยักหน้ารับคําและตัวเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้เมื่อตื่นขึ้นก็รู้สึกงงเล็กน้อยหันมองซ้ายมองขวาขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีและสายตาก็ไปเห็นเทพชิดาชารากำลังเดินเข้าไปในความมืดจึงได้รีบเดินตามเข้าไปไม่ช้าก็ก็ไปถึงที่ซึ่งสว่างสวยอยู่ภายในเทพธิดาชาราชี้ถุงใหญ่ถุงหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยแก้แวแหวนและเงินทองเจ้าพรานชะกันก็หยิบถุงนั้นขึ้นมาเบี่ยงขึ้นบ่า กำลังจะหันได้เอ่ยคำขอบคุณกับเทพธิดาชราแต่ก็นึกขึ้นได้ถึงคำที่รับปากไว้จึงได้แต่งเงียบและก็เดินตามเทพธิดาชราออกไปนอกถ้ำและเมื่อถึงที่ปากถ้ำอันมีแสยสว่างเรืองรองลอยอยู่นั่นเองเทพธิดาชราโบกมืออำลาเจ้าพรานหนุ่มแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นไปและระหว่างที่ลอยทันใดนั้นเท้าพ้นพื้นดินไปแล้วความชราก็สูญสิ้นกลายกลับไปเป็นเทพธิดาที่มีความสง่างามเหลือล้อนผ้นประมาณกับรอยยิ้มที่สดใส พรานหนุ่มได้แต่ยืนตะลึงงงงันจะเอ่ยปากก็ไม่ได้จะล่ําลาก็ไม่ได้ได้แต่โบกมือให้แล้วก็ยิ้มแต่ก็มีเสียงอันกึกก้องเข้ามาในหัวของพรานหนุ่มว่าจงวางตนเป็นคนดีอย่าโลภอย่าคิดเอาสมบัติที่ไม่ใช่ของตนสิ่งที่เจ้าได้ในวันนี้ถือว่าเป็นของเจ้าเพราะเจ้ามีบุญญาทีการพอจงรักษาความดีไว้เสมอเหมือนกับชีวิตเจ้าจําไว้แม้ข้าจะเป็นเทพธิดาก็ยังต้องรับกรรมกับผลการกระทําเหล่านั้น จึงดูไว้เป็นตัวอย่างเถิดและนิทานเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสียดายอย่างเดียวที่นางฟ้าไม่ได้กลายมาเป็นคนและอยู่ร่วมกินกับพรานหนุ่มแต่ก็เอาเถอะครับพรานหนุ่มกลับไปบ้านคราวนี้ก็คงจะไม่ต้องล่าสัตว์อีกแล้วเพราะว่าคงจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ของหมู่บ้านขึ้นมาขอบคุณที่รับฟังครับไว้พบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ